ดังนั้นอามจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆแต่นิสัยใจร้อนทําให้อามค่อนข้างเป็นคนขี่รถเร็วเขามีมอเตอร์ไซค์คู่ใจอยู่คันหนึ่งอาม ร, รักรถคันนี้มากและแต่งรถสวยตามแบบฉบับของรถซิ่งจนเพื่อนๆบางคนแอบเรียนแบบการแต่งรถของอามอามทํางานเป็นเด็กปั๊มน้ํามันเข้างานและเลิกเป็นกะ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 หัดสิยง